บทที่12การมีโอกาสทำงานตามที่ใจรักในโลกทิพย์ชีวิตในโลกมนุษย์มีลักษณะที่น่าเศร้าใจอยู่ประการหนึ่งคือส่วนมากเราไม่ค่อยจะมีโอกาสที่ทำงานตามความถนัดหรือตามใจรักของเราเสมอไปเพราะการงานอาชีพบังคับและโดยในยะนี้ความสามารถหรืออจัจีรยภาพบางประการของแต่ละบุคคลที่ซ่อนอยู่ภายใน ก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาขึ้นมาเท่าที่ควรซึ่งทั้งนี้ทำให้เราส่วนมากต้องพลาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างน่าเสียดายโดยในยะานี้หลังจากที่ได้ผ่านประสบการณ์และการพัฒนามาพอสมควรแล้วบุคคลจะรู้สึกว่าความต้องการที่จะพัฒนาตนเองตามลักษณะของอัจิริยาภาพของตนนั้นมีอานาจรุนแรงขึ้นทุกที ความสามารถเช่นนี้ย่อมแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลเช่นบางคนก็มีหัวในทางศิลปะบางก็มีความถนัดในด้านดนตรีหรือวันณนคดีหรือการประดิษฐ์เป็นต้นหรือไม่ก็อาจเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งมวลให้ยกระดับแห่งความประนีตทางจิตของเขาขึ้นซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับทางศาสนาก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นผลจากแรงดันภายในของวิญญาณของแต่ละคน ซึ่งต้องการที่จะแสดงผลงานในด้านการส ร, ร้างสรรค์ให้ปรกากฏออกมาในโลกและแรงดันดังกล่าวแล้วนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายสมองและจิตใจเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มเช่นนั้นจนได้ไม่ช้าก็เร็วการถือว่าตายแล้วศูนย์เป็นการมองชีวิตในแง่ร้ายและไม่ยุติธรรม แต่ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์ที่ต้องวุ่นอยู่กับการหาเลี้ยงร่างกายทำให้เป็นการยากเหลือเกินที่วิญญาณจะหาโอกาสสนองแรงดันจากภายในได้สมใจรักดังนั้นถ้าหากว่าคนเราจะต้องเกิดมาในชาตินี้ในโลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วก็เลิกกันไปเลยเช่นนี้ก็เท่ากับหมายความว่าความปรารถนาอันเกิดจากแรงดันและแนวโน้มทางใจที่ซ่อนเร้นและถูกกดทับอยู่ดังกล่าวแล้วก็จะต้องสูญหายไปโดยสิ้นเชิง โอกาสของเราทั้งหลายจะมีเพียงครั้งเดียวเมื่อหมดแล้วก็เป็นอนุหมกันไปเลยและหากเป็นเช่นนั้นจริงก็เป็นการสมควรแล้วที่เราจะมองโลกในแง่ร้า ย, ายมองชีวิตในแง่ที่ไม่ได้ให้ความหวังและความสุขอย่างใดเลยและก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องกล้ามครวรและเกิดความท้อแท้ใจเพราะความอายุติธรรมของธรรมชาติในแง่นี้เพราะว่าจะมีสักกี่คนที่ถือกาเนิดมาในโลกนี้ชั่วระยะเวลาอันสั้น และจะได้สนองความปรารถนาอันเป็นแรงดันทางใจได้อย่างสมใจรักของเขากล่าวโดยสรุปก็คือโลกนี้และชีวิตนี้ก็คงจะเป็นสภาวะที่แห้งแลง้งและทารุณเหลือประมาณโดยแท้แต่ท่านผู้ได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของลึกลับแล้วท่านจะเห็นว่าความปรารถนาของแต่ละบุคคลจะไม่ถูกกระทำทารุณจากธรรมชาติเช่นนั้นเลย ความปรารถนาอันเกิดจากจริตนิสัยหรือวาสนาบารมีของแต่ละคนย่อมมีลักษณะเป็นเสมือนมเมล็ดพืชอ่อนอยู่ในดินเรื่อยไปตราบใดที่มันยังถูกกดทับจนหาทางออกไม่ได้มันก็จะคงอยู่และมันจะต้องแตกหน่อพลิกดอออกใบและผลจนได้ในวันหนึ่งข้างหน้าการที่มันปรากฏเป็นแรงดันอยู่ภายในและคู ก, กรุนเสมือนไฟที่ไม่มีวันดับอยู่ตลอดเวลานั้น ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามันไม่ยอมตายและไม่ยอมดับและจะต้องหาทางแสดงออกมาจนได้อย่างแน่นอนจึงมีคำกล่าวที่มีความจริงอย่างยิ่งว่าความปรารถนาตามหลักอุดมคติทุกประการจะต้องมีโอกาสบรรลุผลกลายเป็นความจริงเสมอตราบใดที่มันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงดยอานาจของแรงความปรารถนาอื่นที่รุนแรงกว่า คำกล่าวเช่นนี้อาจมีหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเลวไหลไม่ได้เรื่องและอันที่จริงถ้าเราจะต้องมีเพียงชาติเดียวชีวิตเดียวครั้งนี้เท่านั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเลวไหลอย่างแน่นอนสำหรับวิญญาณที่มีระดับความคิดและสติปัญญาต่ำเรื่องนี้อาจจะยังไม่น่าเชื่อก็ได้แต่สำหรับวิญญาณที่ไดพัฒนาขึ้นไปสูงพอแล้วยอมจะสามารถหันมองกลับลงมาข้างล่างและแล้วก็จะเห็นได้ว่า คำกล่าวเช่นนี้มีความจริงเพียงไรจึงมีคำกล่าวเป็นทรรนองอุปมาอีกข้อหนึ่งว่าความทุกข์ยากความโง่เขลาและประสบการณ์ต่างๆในขั้นต้นเหล่านั้นเป็นเสมือนความเจ็บปวดในการคลอดของวิญญาณ น, นั่นเองนี่หมายถึงการที่อัจฉริยภาพหรือความสามารถหรือความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในของวิญญาณจะมีโอกาสได้คลอดออกมาสู่ความจริง คือความสำเร็จผลสมดังประสงค์ที่จำนวหมายไว้มาเป็นเวลานา น, านแสนนานในโลกทิพย์เชื้อหรือพืชแห่งอัจฉริยภาพเช่นนี้จะได้โอกาสพัฒนาหรือผลิดอกออกช่อตามความสามารถที่แฝงอยู่ของวิญญาณ น, นั้นซึ่งก็เป็นการเตรียมไว้สำหรับการเกิดใหม่ในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในภูมิแห่งโลกทิพย์ในระดับที่มีความเข้มข้นสูง คือมีความประนีดมากความถนัดและอจริยภาพของบุคคลจะพัฒนาได้เร็วมากและเมื่อวิญญาณผู้นั้นมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ก็จะมีความสามารถติดตัวมามากกว่าผู้อื่นด้วยอำนาจแห่งพลังหรือพลังกรรมที่ตนได้สั่งสมอบรมไว้ในระหว่างที่อยู่ในภูมิทิพย์เราจะเห็นความจริงในเรื่องนี้ได้จากอุปมาดังต่อไปนี้ คือสมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งเรียนวิชาการเล่นสเกต็ตอย่างหนักในเวลากลางวันโดยที่ได้ผลซึ่งเขาก็ารู้อยู่ว่ายังไม่เป็นที่พอใจของเขาเองเลยคืนนั้นเขาได้เข้านอนตามปกติแล้วก็ได้ลืมเรื่องการเล่นสเกต็ตเสียสนิทแต่วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเริ่มฝึกหัดใหม่เขาอาจจะรู้สึกแปลกใจที่เห็นว่าตนเองมีความสามารถดีขึ้นผิดกับวันที่แล้วมาเป็นอย่างมาก คนเราโดยมากก็มากจะอยู่ในสภาวะเช่นว่ามันนี้เหมือนกันในเมื่อคำานึงถึงงานเล็กๆแน้อยน้อยต่างๆที่เราฝึกหัดทำประจำวันความจริงดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นไปได้เพราะว่าในระหว่างที่เด็กนอนหลับจิตใต้สำนึกหรือสัญชาตญาณของเขาเขารับหน้าที่สืบต่อจากงานที่จิตสำนึกได้กระทาไว้เมื่อตอนกลางวันเมื่อถึงเวลาตื่น จิตสานึกก็รับช่วงความสามารถที่สั่งสมเพิ่มเติมไว้ในระหว่างหลับมากบางน้อยบางตามแต่กรณีแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปโดยที่จิตสานึกไม่ได้รู้สึกตัวแต่อย่างใดจิตของคนเรามีหลายชั้นหรือว่าหลายระดับดังนั้นจึงมีระดับหนึ่งที่ช่วงงานของจิตสานึกต่อไปได้ในระหว่างหลับซึ่งเป็นเวลาที่สภาวะแห่งจิตสานึกกาลังอยู่ในสภาวะที่พักการทางานชั่วคราว ในทนองเดียวกันจิตเหนือสำนึกหรือซูเปอร์คอนเชียสของวิญญาณของแต่ละคนก็ทำหน้าที่รับช่วงความสามารถและอุปนิสัยใจคอของจิตสำนึกไว้ในระหว่างที่วิญญาณดำรงชีวิตอยู่ในโลกทิพย์และความสามารถเช่นนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวไว้สำหรับการกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ในคราวต่อไปการมาเกิดนี้ก็เป็นผลของความปรารถนาของวิญญาณนั่นเองซึ่งมีความต้องการที่จะแสดงออก ซึ่งความสำเร็จเช่นนั้นนั้นให้ปรากฏออกมาแก่สายตาผู้อื่นอย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างกันอยู่ประการหนึ่งคือการทำงานของจิตใต้สำนึกในโลกมนุษย์นี้เราไม่รู้สึกตัวแต่การทำงานของจิตเหนือสำนึกในโลกทิพย์เป็นไปอย่างรู้สึกตัวดังนั้นวิญญาณจึงมีความปิติปราโมทย์มาก อันที่จริงกล่าวได้ ว, ว่าสวรรค์นนระดับนี้ของคนประเภทนี้เป็นภูมิที่ทุกๆคนมีความปรารถนาที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นคือไม่ใช่มีความต้องการที่จะสวยสุขอย่างเดียวการทำงานตามใจรักอย่างเต็มที่เป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้ที่อยู่ในภูมินี้เพราะเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสสนองความปรารถนาของเขาได้อย่างสมใจรัก ในเมื่อครั้งที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเขาจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเช่นนี้เลยเพราะติดขัดด้วยเรื่องการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นต้นเมื่อประาศจากเครื่องขัดข้องด้วยประการต่างในโลกมนุษย์แล้วลองคิดดูก็ได้ว่าคนเราจะมีความสุขสมหวังสักเพียงใดขอกล่าวได้อย่างหนึ่งว่าความปีติปราโมทอันเกิดจากการมีโอกาสเต็มที่ที่จะทางานได้ตามใจรักยังไม่ต้องกังวลถึงสิ่งอื่นลยนั้น เป็นความรู้สึกเป็นสุขอย่างที่มนุษย์ในโลกนี้จะคิดฝันไปไม่ถึงเลยจริงๆการทำงานและการหาความรู้ด้วยใจรักอย่างบริสุทธิ์การทำงานของวิญญาณในภูมิดังกล่าวมานี้จึงมีลักษณะ ส, สำคัญประการหนึ่ง คือเป็นการทํางานด้วยใจรักในงานอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่มีความกังวลด้วยเรื่องเงินค่าจ้างหรืออิทธิพลภายนอกบีบบังคับและไม่มีแม้แต่ความหวังว่าจะได้รับรางวัลอย่างนั้นอย่างนี้หรือหวังว่าจะมีผู้ยกย่องและมีชื่อเสียงอย่างใดเลยเนี่ยแหละคือการทํางานเพื่อ ง, งานด้วยใจรักในงานส่วนผู้ที่ต้องการหาความรู้หรือความจริงในด้านต่างๆก็จะไม่ผิดหวังเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในแขนงใดๆเขาจะพบว่าการศึกษาหาความรู้ที่เขายุติลงเมื่อจากโลกมนุษย์มานั้นเขาสามารถเรียนต่อที่นี่คือในโลกทิพนี้ได้อย่างเสรีนักกรัชยาหรือนักวิทยาศาสตร์และอื่นๆก็สามารถแสวงหาความรู้ความสามารถต่อได้ในโลกทิพย์อย่างสบายห้องสมุดแห่งสากลจักรวาลหรือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่โมโหลาน มีรอไว้พร้อมแล้วสําหรับบุคคลเหล่านั้นและเขาจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอในระหว่างที่อยู่ในโลกทิพย์เขาจะได้ใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมยังไม่ต้องกังวลด้วยเรื่องอื่นใดทั้งสิน้นเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่อีกเขาก็จะได้กลับมาพร้อมกับความรู้ความสามารถที่ได้รับติดตัวมาด้วยรูปของสหัสชาญหรือถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือความถนัดหรือความโน้มเอียงนั่นเอง ในกรณีที่ความถนัดหรือความโน้มเอียงนี้มีระดับเข้มข้นและรุนแรงก็อา จ, จเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยภาพของบุคคล น, นั้นๆซึ่งในบางรายก็จะแสดงออกมาให้เห็นตั้งแต่บุคคล น, นั้นยังอยู่ในวัยเด็กนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นเอดิสันก็ดีนักปรชัชญาเช่นเฮเกลหรือเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ก็ดีตลอดจนถึงนักวิทยาศาสตร์เช่นดาวินหรือฮัสเลก็ดี ล้วนเป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นพิเศษเหนือผู้อื่นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เขาเหล่านั้นได้สั่งสมความรู้ความสามารถไว้ตั้งแต่ครั้งอยู่ในโลกทิพย์และความรู้ความสามารถเช่นนั้นๆก็เป็นผลมาจากความถนัดหรือความโน้มเอียงของตนตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ในชาติก่อนนั้นนั่นเองจากประวัติของบุคคลเหล่านี้เราจะพบว่าเขาเหล่านั้นส่วนมาก ได้แนวความคิดที่สําคัญสําคัญซึ่งเกิดขึ้นมาในสมองของเขาคล้ายกับว่าหล่นลงมาจากฟ้าฉะนั้นคือส่วนมากจะรู้สึกเป็นทํานองว่าอยู่ดีๆก็เกิดความคิดเช่น น, นั้นๆขึ้นมาได้เองอย่างน่าประหลาดใจเรื่องนี้สําหรับผู้ที่เข้าใจความจริงของกฎแห่งธรรมชาติแล้วยอมทราบได้ดีว่ามันเป็นผลซึ่งสืบเนื่องมาจากกฎแห่งเหตุและผลอย่างแท้จริง ในทั้นองเดียวกันกับความจริงที่ว่าการที่ดอกไม้บานขึ้นมาได้นั้นก็หมายความว่าจะต้องมีมเมล็ดพืชชนิดนั้นมาก่อนในอดีตกฎแห่งเหตุและผลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นความจริงไม่เฉพาะแต่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวแต่ยังส่งอิทธิพลมาถึงโลกทิพด้วยกล่าวโดยสรุปเราอาจวางหลักตายตัวได้เลยว่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดหรือโลกใดก็ตามเมื่อมีผลแสดงให้เห็น ก็ย่อมมีเหตุของมันนำมาก่อนเสมอจากความจริงที่กล่าวมาเราอาจเปรียบเทียบความสัมพันธ์กันระหว่างชีวิตในโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ได้ดังต่อไปนี้คือชีวิตมนุษย์เปรียบเสมือนความเป็นอยู่ของหนอนผีเสื้อในระยะแรกคือหมายถึงชีวิตมนุษย์ในระดับที่กําลังวิวัฒนาการยังไม่ถึงขั้นสูงพอในขั้นนี้ มนุษย์จะรู้สึกว่ามีแรงดันอะไรบางอย่างอยู่ภายในซึ่งตนเองก็ยังไม่เข้าใจแจ่มชัดต่อมาเมื่อเขาได้ค่อยๆพัฒนาทางใจขึ้นเรื่อยๆชีวิตในโลกทิพย์ของเขาก็จะเป็นเสมือนสภาวะของตัวแก้วซึ่งกำลังจะเริ่มออกปีกอันสวยงามในระยะเวลาไม่นานนักอจกล่าวดีว่าปีกอันสวยงามหรือความสามารถส่วนตัวของเขาได้พัฒนาขึ้นมามากพอแล้ว และกําลังจะแสดงออกมาในเวลาอันไม่ช้าต่อจากนั้นเมื่อเขาได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกในรอบนี้ชีวิตของเขาจะเป็นเสมือนตัวผีเสื้อซึ่งมีปีกอันสวยงามและโพพีนบินไปมาได้อย่างเสรีซึ่งก็อาจเปรียบได้กับความจริงที่ว่าเขาได้พัฒนาความสามารถหรือสั่งสมบารมีมาจนถึงระยะที่แก่รอบหรือว่าพร้อม จะแสดงออกมาให้เป็นที่ปรากฏแก่ผู้อื่นได้แล้วดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎแห่งกรรมนี้จะดำเนินงานส่วนใหญ่ให้เห็นได้ชัดในโลกทิพย์มากกว่าในโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะว่าวัตถุในโลกทิพย์มีความอ่อนโยนและหมุนให้เป็นไปตามอำนาจจิตได้ดีกว่าวัตถุในโลกมนุษย์ซึ่งหยาบกว่าและมีอานาจต้านทานมากกว่า ทำให้การดำเนินงานของกฎแห่งกรรมเป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าและลายเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่ในโลกทิพย์กายซึ่งประกอบด้วยธาตุเช่นกายมนุษย์ไม่มีอีกแล้วกฎแห่งกรรมจึงสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนโดยที่ไม่ต้องต่อต้านกับแรงทวงหรือความต้านทานมากนักพืชอ่อนแห่งกรรมทั้งหลายจึงเจริญงอกงามและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่ต้นไม้ใหญ่แห่งกรรมจะผลิตผลก็สามารถเร่งเวลาให้เร็วขึ้นได้เช่นเดียวกัน